ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวิโตทินนางเปตานางอุปกาปะติอิจิตังปทิตังตุมหังกิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนราสุยะธามณิโชติระโสยอาทั โยวิวานชันตุสาภโรกวินาสาตุมาเตปพาวันวันตาไรโยสุกีทิทายุโกภาวะภิวานธนาสิลีสานิ จางวุ่นตาป้าใา ย, ยินเอาจัดตาโรถาหมาวันทันติอายุวันนสุขางปาลายันจะโคดขินนาดินานสร้างกามเห็สุปติทิตาม ดิฆาตังหิตายาทานาโสอุปาคปติธรรมโมจายังนิดัสิโตเปตานาูชาจักกตาอุลาลัมาลันจะพิโคนามโนปดินัง ตุมเหหิปุญญางปะสุดอางอนับปะกันทีอายุวะทะกาทะนาวะสิริวะทะกายสวะทะกาพลาวะทะกาวันวะทะกาสุขวะทะกาโหตุสาภาทาทุก ภพพยาเวลาโซกาสานโตจูปาทาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสานันโตจเตสาสาสสัยเสตทธิธานังสาภัโสทิภาขยังสุขังพาลังสิริอายุจาวัน โนจาโพคังวุธิจายสวัสตวัตาจจะอายุจชีวสิทธิพาวันตูเตภาวัตุสา พ, า, า, า, พ า, ามังราคันตุสาภาเทวาตาสาพาพุทธ นูพาเวนัสธาสดีภาวันตุเตมภาวตุสาภามาณฆางราคันตูสัพบวาตาสาภาธ ร, รมมะนูพาเวนัสธา ส, าสธิภาวัน ตูเตมภวตุลสาภามาณคลานราคันตุลัพท์ว่าตาสาภาสังคานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเต